แต่อดีมัแล้วไปแล้วก่นแช่งหัวมันเราหมายถึงว่าปัจจุบันนี้อะไรก็ต่อไปทางหน้าถ้าคนไหนพร้อมจะแก้ไขตัวเองเนี่ยเจริญข้าวหนาถ้าใครอะ่ะมันแก้ไม่ได้สักทีไปยาก ไ, ไปแก่อยากๆชา้าๆก็ไปได้ชา้าแกเร็วก็ไปเร็วเด็กขาดก็ไปเด็กขาดไม่เอาไม่เอาไม่เอา อยากพูดไม่พูดเนียวขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะในตัวอยากพูดยิบๆๆออกมาอยากตัวเองก็ไม่รู้เว่ามันมันมันเปอาการความอยากอยากพูดอยากอวดอยากโชว์อยากแสดงทำอยากแสดงออกมันทั้งหมดมม น, หนี่แหละเนี่ยตัวตนทั้งนั้นไม่อย า, อยา่นกะ็มนไม่รู้ตัวด้วย มันเมามันเสียงดังพูดเรือเมามันด้วยใครมาถึงกันหาช่องเลยนะหาโอกาสเลยนะถ้าได้พูดแล้วก็โอ้โหน้ำไหลไฟดับอย่างนี้มันคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อาตาัตตาตัดับมันยัก่อน ดัดมันได้แล้วอเออถึงเวลาคนอื่นเขามาหาเองด้วยเขามาถามมาไทยเราอยากได้ยินได้ฟังถ้ามันยังมีอัตาอยู่มันออกมานมนคนฟังก็ไม่เต็มใจฟังให้คนพูดก็เมาเมาไม่รู้ตัว เห็นและสงสารนะบอกตรงนะเพราะมันยังไม่เห็นตัวละเอียดของมันแสดงว่าเวลาเป็นสมาธิพอเห็นได้แต่เวลาไม่มีสมาธิเวลามันออกไปมันไม่ทันไม่เห็นรายละเอียดห็ือไม่งั้นก็คือพวกมารนณะพวกเนี่ยมันกั้นเอาไว้ในความอยากความต้องการมันยังมาก ความต้องการที่มันละเอียดขึ้นมันมากมันก็เลยแสดงออกมาบางทีเขาฟังด้วยความจำยดมันนี้ไปไหนไม่ได้เก่งออกเกิงใจกันบาที่ผ่านไปผ่านมา ก, ก็ได้ยินบางทีก็หลบมุมคือหาโอกาสเนี่ยพอได้ช่องไปแอบ คือถ้าหาว่ามันเป็นขังข่าวเป็นเออมีเจตนาช่วยเหลือกันบ้างเล็กเล็ ก, ลกน้อยมันก็ไม่เป็นไรคะแตเทํานมากเกินไปมันก็พอกูนขึ้นเรื่อยๆตัวตนเนี่ยแต่บางคนก็ดีก็ไม่มีอะไรหรอกแต่บางคนเนี่ยมันประจำประจาอยู่ก็มื มันมาทุกลูปแบบให้สังเกตมันอาการคงนี้ต้องได้สังเกตต้องได้ฝึก ด, ด้วยไม่ใช่ของง่ายนะกว่าที่มันจะเข้าไปทันห่วง ต, ตัวตนที่ละเอียดแต่ถ้าสังเกตไปเรื่อยๆมันก็ทันเหมือนกันนะเห็นได้ ถ้าตัง อ, อกตังใจสังเกตเฝ้าดูมันบางครั้งพูเจ้าก็พูดถึงพื้นฐานพื้นฐานที่จะทำให้จิตใจมันจเจริญไม่เสื่อมแล้วก็เป็นสามารถที่จะทำให้การชิดปนิพานเข้าไปนเนี่ยมันทำให้กุศลธรรมทั้งหลายจเจริญพระพุทธเจ้ามอมีสี่ประการ ธรรมะสีประการที่จะทําให้จิตใจของแต่ละคนเจริญขึ้เนเรื่อยๆหรือวกาชิดกับพันิพานตรงไปสู่พันิพานแล้วก็เจริญไม่มีเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะสีประการนั้นมีอยู่สี่อย่างสประการสี่อย่างคืออันที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลนะสบรมในศีลที่ดี ชำระสิ่งให้บริสุทธิ์อันที่สองสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในทีน่ี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเมื่อคืนนี้ก็พูดถึงแล้วว่ามันเวลามันกระทบอารมณ์ก็ให้เป็นรู้ทันมันเข้าเป็นรู้เท่าทานันถ้ารู้ทันมันมันก็จะดับไปจะเห็นความเกิดความดับของมันแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันมันเนี่ย มันก็จะต่อเนื่องเดี๋ยว่ามันเนีมันเป็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆต่อเนื่องไปจึงแต่งจนเป็นพบเป็นชาติได้เพราะนั้นต้นต่อของมันเนี่ยมันต้อมีการสำมรวมรูม้เารัิตใจของตัวเองอันที่สามรู้จักประมาณในการบริโภค ท่นมักจะนเรื่องบริโภคเข้าปวปลาอาหารเพราะอันนี้มันสําคัญถ้าใครสามารถที่จะจํากัดความอยากความต้องการในเรื่องของอาหารหรู้จะประมาณรู้จะความพอดีมันก็ยื้องใหญ่ไปถึงพวกเครื่องใช้ไม้ซ้อยต่างๆเครื่องแต่งกายจีวรผ้านุ่งผ้าห่มอย่า ม, มันจะสํานวงเข้าไปถ้าหากว่า พอใช้คำว่ากินไม่เป็นกินไม่เป็นก็แสดงว่าภาวนาก็ไม่เป็นด้วยครูบาอาจารย์พูดไหอนะคนภาวนาเป็นเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ความเป็นอยู่การอ ย, รอยู่การกินการกินการกินต้องมีการรูจับประมาณในการบริโภคถ้าบริโภค สะวมระวังเรื่องข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าแพพันเครื่องใช้ไม้้อยต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละสแสดงว่าจิตมันมันจเจริญขึ้นแล้วสามารถควบคุมตัวเองได้ควบ ค, คุมพฤติกรรมต่างๆได้อย่างที่สี่เรียกชาขยานโยกชาขยานโยก ความเพียรทำให้จิตตื่นต้องตื่นด้วยนะไม่ใช่ความเพียรแล้วก็หลับถ้าความเพียรแล้วหลับเนี่ยมันไม่เรียกว่าเพียรและมันคือนั่งหลับนอนหลับเนี่ยคนนึงไม่อยู่ในท่าทางของนักต่อสู้มันต้องเพียรเพียรทางจิตเพียรทาให้จิตตื่น คือสติมันคอยจดจ่ออยู่ตลอดเนี่ยถ้าว่าสติมันควบคุมจิตได้จิตมันก็ต้องตื่นสิพอจิตใจมันมั่นคงได้ก็พอสตินเนี่ยถ้ามันหลับซะแล้วสแวสดง ว, ว่าสติกับจิตนเนี่ยมันจมลงไปอยู่ในผวางไม่มีอะไรตื่นเลยหลับไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะนั้นเนี่ยสี่อย่างเนี่ย อันที่หนึ่งก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์มีศีลดีสำรวมในศีลถ้าศีลละเอียดเข้าไปก็คือมีทั้งอาจาระโคจาระสำปันโนอาจาระนี่หมายถึงความประพฤติความประพฤติหรือการกระทาอะไรพวกนี้พฤติกรรมต่างๆถูกต้อง แล้วก็การเกี่ยวข้องทางกายอะไรไม่ควรดูไม่ควรไปเกี่ยวข้องก็ถอยออกมาอยู่ตามลำพังให้จิตของเราเนี่ยมันมุ่งต่อการปฏิบัติทางจิตใจก็ต้องหลีกไม่เอาเรื่องราวที่มันไม่เป็นธรรมะมันไม่เกี่ยวกับการออกจากทุกข์เอามานึกมาคิดมาปรุงมาแต่ง คือพยายามที่จะหมุนหมุนอยู่ในธรรมะฟังก็ฟังธรรมอ่านก็อ่านซื้อธรรมะฟังอะไรก็เนี้ยคุยคุยก็เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติหมุนอย่างเนี้ยมันก็จะเจรินก้าวนาเนี่ยสำรวมสิ่งเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษแม้เล็กน้อยอ ไม่เล็กเล็น้อยๆแตมันเป็นโทษจะไม่เอาคือขอให้ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องลองอดดูเลยนะต้องแก้ไขจิตเราซะก่อนอย่าไปเห็นอย่างอื่นสําคัญกว่า้การชําระจิตใจตัวเองการพัฒนาจิตใจตัวเองในคำยกย่องสรรเสริญนี่มันจะมีอย่างไรบริษัทบริวาร อุปถาอุปธรรมเรามาเพื่ออะไรเขามาเพื่อแสงธรรมะเพื่อจิตใจของเราออกจากทุกข์ก็ต้องมุ่งตรงมาที่เป้าหมายอย่าให้มันคาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่แท้จริงสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยถ้าสติมันดีมันทันเลยนะแต่ถ้าไม่ทันมันก็ทันเมื่อไหร่ก็ต้องเอากันเมื่อนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ทันหรอกแต่มันเป็นหลักการมันสำรวมไว้เร่วน้ก็รู้มันเร็วแต่ถ้าว่าช่วงไหนที่อินทรีย์มันแก่กล้าความเพียรเราเนี่ยมันมันมันแก่กล้ามันตื่นตัวเต็มที่มันทันหมดแหละ มันก็ทันเฉพาะในช่วงที่เราอินซีมันเสมอมันพอดีกันจะเอาอันนี้ไปพูดไปคุยอ่ะมันพูดคุยได้ทั้งนั้นเนพราะคนที่มีสมาธิมันก็เห็นกันหมดเห็นการทางานของจิตบ้างแล้วมันก็พอพูดได้แล้วมันต้องมาดูกันว่าพฤติกรรมประจำประจำอย่างเี้มนเป็นยังไงในชีวิตประจำวันเราเนี่ย มันยับยั้งได้ไหมมันเอาชนะกิเลสพวกความอยากอะไรได้ไหมดื้พวกมานะอะไรต่างๆเนี่ยเอาชนะมันได้ไหมเนี่ยมันต้องตามเข้าไปจนนู่นไลนลายละเอียดมันเ น, นี้ยสัมรวมตาหูเสมุกลิ้นทายสุดท้ายก็คือสํารวมใจ แล้ก็รู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคคือบริโภคอาหารโภชนีมตนัตตัญญาจะประมาณในการบริโภคอาหารเพราะว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติถ้ามันมากเมื่อไหร่มันจะหนักทันทีนัตตูเนื้อตัวเราแล้วจะง่วงซึมไอ้ง่วงซึมมันทำให้เกียรค้านนะ นักเนื้อหนักตัวสติก็ไม่ค่อยควบคุมตัวเองไม่ค่อได้ควคุมจิตใจก็ไม่ค่ได้แล้ก็ชาติยานี้โยเพียนทำให้จิตตนก็คือเพียนให้ต่อเ น, นื่องสารวมแล้วก็เพียนให้ต่อเ น, นื่องเพียนทางจิตภายนอกก็เพียน ่ในทธาทางของผู้ปฏิบัติภายในก็เพียนไม่ให้มันหลับสามารถข้ามพ้นมิวรได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่ามีทำรรสีขอ้อนี้จ ะ, จะเจริญไม่มีเสือ่อมเป็นธรรมที่ไม่เสือ่อมแล้วก็ทำให้ใกล้พันิชานกุศลธรรมอื่นๆจ ะ, จะเจริญขึ้ น, นเนื่ย แต่เลื่นขึ้นก็คือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาถะและก็วิปัสนาคือวิปัสนาเนี่ยมันทำให้บรรลุมรรคผลได้ทำให้ถึงพณิพานได้ตัวที่มีปัญญาเห็นความจริงเพราะนั้นถ้าหากว่าใครปฏิบัติแล้วก็เริ่มเห็นขันห้าได้ หรือว่าจเจริญสติปัฏฐานสมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นก็คือขันห้ามันก็เริ่มชัดเจนการทำหานของการห่านมันเริ่มชัดเจนก็แสดงว่ามันเริ่มเห็นทางแนละ้วเรียกว่าจเจริญสติปัฏฐานสีหรือเจริญสติสัมปชัญญะ แล้วก็ยิ่งมันเห็นชัดเจนเห็นว่ามันเกิดดับเนี่ยความเกิดดับวันนี้มันชัดขึ้นคือในจิตเนี่ยถ้ามันเห็นว่ามันเห็นมันเกิดดับหรือเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยจิตจะโปร่งโล่งจะเบาสบาย แต่ถ้าหาว่ามันยังไม่เห็นความเกิดดับมันเป็นตัวเป็นตน่ะเรายังวิ่งตามมันอยู่อันนี้มันยังใช้ไม่ได้มันต้องเพิ่มความเพียรนะเพิ่มความสชำรุดระหวังก็คือสี่อย่างนั้นแหละทวนไปหาธรรมสี่อย่างนั้นเลยต้องข้ามพ้นนิวรณนให้ได้จกนกระทั่งมาเห็นการเกิดดับของลูกของนา้ำ่ะเมื่อมันเกิดดับมากขึ้น ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมีกําลังเต็มที่ความเกิดดับนี้มันเหมือนกับมันอยู่ในจิตเหมือนจิตอะไรผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวความเกิดดับมันแสดงออกหรือว่าถ้ากําลังมันพอก็มันประหารทันทีเลยเพราะบางคนก็เห็นความเกิดดับนีนานบางคนเห็นไม่นานหรอกแต่ว่ากําลังมันพอก็ประหารกิเลสไั้ บางคนเห็นแล้วเห็นเหล่าเห็นแล้วเห็นเราเห็นว่ามันใจ็บงเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันจิตใจก็ฝักไฟอยากจะออกจากมันแต่ไม่ถึงเวลามันก็ไม่ออกแต่ถึงถึงเวลาเมื่อไหร่ก็มักมันรวมตัวกันเข้ามาแล้วประหารกิเลสได้ทำประหารกิเลสได้เนี่ย ช่วงนั้นนะมันจะห ม, มเหมือนกับเป็นพ่อหานน้อยๆเลยนะชัดเจนเหมือนไม่มีกิเลสอยู่ในใจนะเห็นการทำ ง, งานของจิตเห็นเหมือนกับจิตเนี่ยมันไม่มีอะไระเข้าไปครอบงำได้มีกำลังของปัญญามันก็แต่พอกำลังปัญญามันดับไปก็ต้องมาปฏิบัติกันใหม่ มาเจริญสติประทานสี่หมายหรือมาดูขันห้าหมายอีกเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเนื่องจากว่าไอปัญญาตัวนี้มันมีกำลังมากก็สามารถที่จะพิจารณาต่อไปได้เลยนะเนี่ท่านเหมือนเหมือนกับคนเดินขึ้นบันไดอะบันไดมีสี่ขั้นชัวรว่าบันไดมีสี่ขั้นคนหนึ่งเนี่ยร่างกายแข็งแรง เขข้ามขั้นที่หนึ่งไปแล้วเขาข้ามขั้นที่สองไปได้ก้าวข้ามขั้นที่สามไปได้ก้าข้ามขั้นที่สี่เลยถึงเลยแต่บางคนขั้นที่หนึ่งแล้วหมดแรงเลยหมดแรงก็ต้องพักสัก่อนพักเอากําลังสัก่อนแล้วก็ปีนขึ้นไปขั้นที่สองเนี่ยระหว่างนี้จึงมีบางคนก็ช้าบางคนก็เร็ว เพรากำลังปัญญามันมากหรืน้อยยิ่งคนป่วยอย่างงี้โอ้โหพอขึ้นท่านที่หนึ่งได้แล้วก็แมะเลยที่หนึ่งบางคนก็ตายไปเลยรอชาติต่อไปนู่นบางคนก็เออป่วยพอรอหายป่วยแล้วเอาใหม่อีกขยับขึ้นไปได้ท่านที่สองเอาป่วยอีกบำรุงร่างกายหายป่วยเอาใหม่อีก แค่ายอย่างนั้นหมายถึ ต, ตัวปัญญาญาณเนี่ยกําลังมันอ่อนมันไปต่อไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนที่บรรลุพระโสดาบันปั๊บอย่างเนี้ยเขาต้องตอนแรกปัญญามันกล้ามองอะไรก็โอ้โหชัดเจนไปหมดแต่พอกําลังมันถอยมันก็ต้องมาเอากันใหม่แต่ว่ากําลังมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วละ่ะ เพแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลขั้นสูงต่อไปได้อีกพระโซดาบันพัสกีตาคามีอนิลละสังโยชดายสามอย่างถ้าพูดในแง่ของอาการละได้ละสกะยาทิฏิสกยะสัต สักเนี่ยสักกะเนี่ยมันมันแปลว่าตัวเราหรือของเรากายะเนี่ยมันมารวมกันสิ่งที่มารวมกันแล้วก็ทิฏฐินี่หมายว่าความเห็นที่ผิดเน่ยหมายถึงอย่างนั้นความเห็นผิดว่าสิ่งที่มารวมกันเนี่ยเป็นเราเป็นของเราคือกายกใจเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราขันห้าวเป็นเราเป็นของเราไอตัวทิฏฐิเนี่ยมันจะ เป็นความเห็นคาดเคลื่อนไปจากความจริงแล้วคาดเคลื่อนจากความจริงชนิดที่เหนียวแน่นเนี่ยชนิดแข็งแกร่งเลยอุปทานมันหนาแน่นมากมันไม่สามารถที่จะปล่อยวางด้วยละได้ด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมดาตัวจิตน่ะ มันเห็นผิดเห็นผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็เหนียวแน่นด้วยต้องปฏิบัติตามแนวทางของอริยมรรคเพื่อให้จิตเนี่ยมันเข้าไปเห็นความจริงตัวจิตมันหลงมันไม่ใช่เราหลงนะตัวจิตเนี่มันหลงเพราะนั้นก็เลยต้องอาศัยสมาธิ จิตต้องเข้าไปอยู่ในภวังของสมาธิแล้วจิตเห็นเองด้วยตัวจิตแล้วถ้าหาว่าในขณะที่เห็นน่ะมันจะมีความรู้สึกื่ามีเราอยู่มันจะเป็นของมันเองขบวนการของมรคนั้นมร์เนี่ยมันมันมันจิงมีสองสองความหมายหมายถึงการปฏิบัติไปตามลำดับลาดับก็เป็นมร ทางเดินเดินทางไปเรื่อยๆแต่ถึงที่สุดมันทำลายข้าศึกมันปราญกิเลสเนี่ยไอตรงนั้นก็คือมรด้วยอย่างโซดาบันปติมรดหมายว่ามันละกิเลสได้ตรงนี้เลยอริยมรกมีองค์แปดก็หมายว่ามันเป็นเหมือนทางเดินกำลังเดินทางไปแต่พอไปถึง จุดหม้ปลายทางจริงๆแล้วป่าอนกิเลตทางนี่ก็มักเหมือนกันครั้งที่หนึ่งเรียกว่าโซโดาบันปฏิมักเพราะนั้นมักมันมีสองความหมายอันหนึ่งเป็นการเดินทางเป็นทางเดินไปเพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์บางทีเขาเรียกว่าทุกขะมิโลทคคามินีปฏิปทาหมายถึงทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์ทุกขานิโรธในไงคือดับทุกขามิเนปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคแต่ถ้ามันประหารกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งโสดาบันปฏิมรรคใชกิทาคามีมรรค ครั้งที่สามก็เรียกอนาคามิมักสุดท้ายก็อรลาตมักจนถ้ามันเห็นขันห้าชัดเจนมันทำงานของมันไปมันไม่ใช่ของเราจนถ้ามันหลงตัวมันอไหรประหากิเลยได้ถ้ามันละสกักยัที่ทีได้มันก็จะหมดความสงสัย ในการปฏิบัติของตัวเองหมดความสงสัยในการตัดสรุของพระพุทธเจา้ามันเหมือนมันแจ้งปัจากใจสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เคยเห็นขึ้นมาเห็นขึ้นมาในจิตใจแล้วก็ละศีลละพัตตปรามาตศีลแล้วก็พลศีลกับข้อปฏิบัติ ไม่มีศีลด้วยมีข้อปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติก็หมายความว่านอกจากศีลก็เป็นข้อวัดปฏิบัติศีลปพิตะปลามาตปลามาสะตัวนี้ก็เหมือนกันปลามาสะนี่หมายว่าเห็นคาดเคลื่อนจากประโยชน์ที่แท้จริงของมันอย่างรักษาศีลเนี่ย ก็รักษาเพื่อให้คนยกย่องสัรเสริญหรือว่ารักษาเพื่อมันเป็นความดีเพื่อไปสวรรค์มันไม่ใช่เพื่อออกจากทุกข์แต่ถ้าคนที่มันรู้พระโสดาบันแล้วนนเนี่ยรักษาศีลเนี่ยรู้เลยศีลเป็นบาทฐานของสมาธิเลยเพื่อให้จิตเราเป็นความปกติศีลอยู่ในจิตเลยไม่อยากให้จิตไปวอแวรกับอย่างอื่นละอยากให้จิตเป็นปกติเมื่อนเนี่ยเนี่ยศีลของพระโสดาบันจะเป็นศีลที่มัน เพื่อละปัญหาด้วยเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์เขาจึงใช้คำว่ามันมันไม่ปฏิบัติในสีเน่ชนิดที่ไม่เห็นผิดไม่หลงผิดไม่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแต่ว่าเราเวลาเราได้ยินจเจอลูกคำในสีนรวนทั้งทำอะไรก็ตามมันจะตปนหนักอยู่ว่าเราต้องหาทางออกให้กับจิต พยายามที่จะไม่ให้จิตเนี่ยมันไปทำเพื่อที่จะไปไปเป็นเพราะนั้นพิธีดีตองมันจะไม่ค่อยมีอ่ะถ้าพระโสดาบันเนี่ยจะตรงไปหาการออกจากทุกข์หรือว่าการชำระจิตเลยหรือว่าเพื่อนเป็นบาตฐานของสมาธิเพื่อปัญญาเลยจริงเรือวะละ สีละพตปรามาดปลามาสะหมายถึงว่าเห็นผิดไปจากความจริงเห็นคาดเคลื่อนไปจากความจริงเหมือนอยังบางสิ่งบางอย่างอสมัยแรกๆทำอะไรก็อย่างครูบาอาจารย์บางองค์อาุจะว่าท่านเดินจงกรมช้าๆแล้วท่านได้ประโยชน์ท่านก็เอามาสอนทีนี้ลูกศิษย์เอามาปฏิบัติเนี่ย ก็ว่าใครยิ่งช้ายิ่งดีทีนี่กลายเป็นว่าเอ้อช้านี่แหละทําให้ผลทุกได้เนี่ยมันก็เป็นเป็นการเห็นผิดไปจากความจริงแลแหละช้านี่มันทําให้สติมันดีและได้สมาธิแต่ถ้าพอสติมีกําลังแล้วมันก็หมดความจําเป็นไม่จําเป็นต้องไปยึดว่าช้าหรือเร็วมันก็มันต้องเน้นไปที่ว่าเออเราเพื่อให้มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา คือเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเลยว่าช้านี่แหละทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างอื่นไม่ใช่โอ้โห น, นี่เนี่ยมันก็เลยคาดเคลื่อนไปจากความจริงในครั้งแรกๆหรืออย่างเรื่องของสมาทานอย่างเนี้ยสมาทานในสมัยก่อนเห็นประโยชน์แล้วก็รับเอามาด้วยความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินี่เรียกว่าสมาทานไม่ต้องไปขอใคร แต่เดียวนี้ต้องศีลก็ต้องสมาทานสมาทานแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้่แต่คอยให้ได้สมาทานนี่คําว่าสมาทานมันก็เลยมีความหมายผิดเทียนไปก็เลยเหลือพิธีกรรมทีนี่มีแต่พิธีกรรมขอศีลกันแล้วก็บางทีก็พยายามทําให้พิธีกรรมมันใหญ่โตทําให้มัน หรืออย่างพวกไอบทสวดมนต์ต่างๆอย่ง น, นีจริงๆมันบทสวดมนต์เนี่ยมันมันเป็นการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องจําเพื่อให้จําแม่นยำในสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นภาษามคตที่เป็นภาษาบาลีแต่ออกเสียง ออกเสียงไปภาษาทิ่นะเขาเรียกภาษามคตเพราะนั้นเวลามาเขียนก็เขียนออกมาในลักษณะภาษาบาลีแทนที่จะเอาเอามาท่องจําเพื่อที่จะให้มันมีปัญญาหรือให้มันเพื่อใจสงบแล้วก็มีปัญญาเพื่อให้ทรงจำธรรมของพุทธเจ้าเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์มันก็เพื่อขังเพื่อศักดิ์สิทธิ์ไป ถ้าอย่างนี้ก็มีหลเป็นศีลปัตป h ราม a ปฏิบัติในศีลและข้อวัดต่างๆคาดเคลื่อนไปจากประโยชน์ที่แท้จริงคาดเคลื่อนไปจากประโยชน์ดั้งเดิมที่แท้จริงของมันกลายเป็นแทนที่จะเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ก็เป็นไสยศาสตร์ไนะปเรื่อง ขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปเลยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีพวกนี้ปล่อยได้วางได้เพื่อเคยเคยแปดครั้งหนึ่งแนละ้วไปอยู่ในป่าช้านะป่าชา้าวันนั้นเกิดความกลัวขึ้นมาในจิตกลัวชนิดไม่มีเหตุผลโอ้มันรุนแรงจริงๆนะมันก็พอรู้แล้วลหละว่ามันไม่ใช่เราหรอก แต่ว่าอาการมันไม่หายไปเข้าไปนั่งอยู่ในส้วมก็อเอาส้วนเป็นที่พึ่งเลยเป็นนั่งอยู่ในส้วมไม่ได้พึ่งอะไรนะก็ ค, คือหาที่นั่งมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็เข้าไปอยู่ในส้วมก็นั่งดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นมันจำเป็นอะมันจำยอมคือมันไม่หายไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่ากลัวจนสติมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนะ คือมันมีอาการขึ้นมานี่คือสังขารบางชนิดที่มันเข้ามาครอบงำจิตได้แต่ว่าจิตของเราที่เคยฝึกฝนมามันเห็นอยู่มันเห็นอยู่มันพอรู้อยู่ไอ้พวกนี้มันเกิดแล้วก็ดับแต่มันออกไปไม่ได้มันก็เลยทนดูมันไปแต่ก็แปลกเพราะตื่นเช้ามามันก็หายของมันเองนะมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไป บอกเอออารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะถ้าว่าเราสามารถที่จะตั้งสติแล้วดูมันได้เดี๋ยวมันก็ดับไปบางทีก็ดับไปเองบางทีก็มันก็เข้ามาบางทีใกล้จะนอนหลับเราใกล้จะนอนเนี่ยนะเห้มันมีอะไรวุ้วเประมาณตึมๆแล้วไอ้ร่างกายเราเนี่ยนี่รู้แล้วเนี่ยมันมันเตรียมมันจะมาถ้าหาว่าเราหลับเมื่อไหร่ มันเตรียมจะเล่นงานแล้วเราต้องนั่งสมาธิชําระก่อนให้จิตเราถอยออกมาให้หมดซะก่อนล้างมันซะก่อนถ้าอย่างนี้แล้วปลอดภัยมันจะดับไปแต่ถ้าหาว่าเราเราลืมเ อ, อก็ช่งางหัวมันอย่างนี้นะหลับนะั้นอาจจะมีนิดนึงนมันจะอาจจะมีมามวแวลเรานิดนึงแต่ถ้าจิตจิตจิตของเราถ้าหาว่ามันมีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ตื่อย่างหนึ่น มันไม่ได้ไปอะไรมากมายอย่างน้อยมันก็คล้ายๆกับมันก็บีบคันนิดหน่อยเนี่ยทำให้รู้ว่าเอ้ยมีโดนโดนแล้วโดนแล้ ว, ลวอ่ามันไม่ใช่ไม่มีนะในธรรมชาติมันก็จะมีอยู่จะเป็นวิบากกรรมของเรามันก็ยอมรับได้แล้วก็จบไปก็รู้ว่าเออมันก็ได้ได้ความรู้ขึ้นมาก็สังเกตละ่ะเออ แต่มันก็ไม่ไม่ได้มาทุกวันนะถ้าว่าวันมันรูปเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะทําสติขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยวางได้หมดเนี่ยมันก็จะหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะมันไม่กล้ามาเนี่ยแตลกดีจากนั้นมันก็จะหาช่องไหนอีกอะเออมันก็จะค่อยๆเติมส่งสัญญาณมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยๆเพราะมไม่เป็นอะไร ผมเลือก ม, มามากมันก็มีความจำเป็นแหละก็ต้องชาระมันออกไปแล้วพระโสดาบันเนี่ยเมื่อละทำสามอย่างนี้ได้แล้วคือในแง่บวกที่นี่ในแง่ที่คุณสมบัติที่มันมันเกิดขึ้นอันหนึ่งละได้อีกอันหนึ่งเป็นคุณสมบัติประจำประจำจิตใจที่พระโสดาบันนี่จะมีความศรัทธา ในพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาในพระธรรมชนิดที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาในพระสงฆ์ชนิดไม่หวั่นไหวเลยคล้ายๆกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเลยแล้วก็เป็นศีลที่ยอมรับของพระเรียเจ้าคือพอจิตมันมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยไว้ใจได้เลยคนนี้ไม่รวงละเมิดศีละ่ะศีลอยู่ในจิตใจของเขาละ สำรวนระวังตลอดเลยแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ ไ, มไปเชื่อมงคล้นตื่นข่าวอะไรละจะไปหวังพึ่งเทวดาองนั้นองนี้ม่นี่กราบไหว้พระพุทธเจ้า ก, ก่อนระลึกถึงคำสอนมุ่งที่จะมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะหวังขังหวังศักดิ์สิทธิ์หวังให้ท่านมาคุ้มครองปกปักรักษาอันนี้มันยังเนี่ยมันยังไม่ถึงท่าน มันถ้าไม่หวังหวังพึ่งข้างนอกมันไม่หวังพึ่งธรรมะที่อยู่ในจิตใจตัวเองแต่พระเซดาบัณแล้วมันต้องละสิ่งเหล่านั้นได้ต้องมีความเห็นตรงแหละต้องปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ละเล็งอย่างเดียวว่าเออทํำยังไงเราถึงจะออกจากทุกข์ได้นี่จึงเป็นว่าเป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพาน เที่ยงตัณิกานัณฑ์หมายว่าคนนี้ต้องบรรลุวัณิพาภัเนี่ยเป็นผู้หลานแน่ๆเกิดอีกเที่ยงมากไม่เกินเจ็ดชาตินปิดประตูบายภูมิได้เด็ดขาดเลยกรรมอะไรก็ตามที่เราทํามาไว้มันไม่ดีขนาดไหนจะต้องตกนรกเท่าบรรลุพระสุวรรณปั๊บไม่ไปอีกแล้วมันล้างออกไปเลยจิตจะไม่สนใจจิตจะปล่อยวางหมดเพราะงั้นความนึกคิดปรุงแต่งในทางที่จะทําให้ลงอบายภูมิ จิตพัสดา w ั n ไม่มีมีความทุกข์ระดับนี้ไม่มีเรียบไปสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองเจบตกนรกหมกหม้เป็นเป็ดเป็นนสุรกายเป็นสรรัตว์เดรัจฉานไม่มีแล้วปลอดภัยแล้วเพือเดีไม่ เ, เกินเจ็ดชาตินะอาจจะหชาติ5ชาติสมชาติสองชาติ1ชาติถ้าพัสดา w ั n เนี่ยปฏิบัติต่อไว้อีก ไม่ลดละเลิยละแต่พระโสดาบันเนี่ยบางในในในประวัติเนี่ยอย่างนางวิสาขาเนี่ยนางกลาถนาที่จะอยู่เต็มตามความสุขหรืออายุไขในในในแต่ละชาติเลยนะถือเกิดเป็นมนุษย์เต้นที่ในแดนมนุษย์เลย ก็ปฎิฐานาที่จะนู่นแหละบรรลุธรรมบนนู้นก็คือเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่ไม่ได้ปฎิฐานาที่จะบรรลุเรนะเอาขอเป็นที่เลยอยู่ในชั้นนั้นมันบริบูรณ์สมบูรณ์ยังไงก็อยู่ไปแบบสบายๆเนี่ยจึงเกิดอิจชาติอย่างไม่เคยเจ็บชาต์หมายคือว่าในในใ น, ในกรรมภูมินะ ในแดนมนุษย์กเทวดาอาจจะไปเป็นพระนาคามีแล้วก็ไปบรรลุที่พรมก็ได้อันนั้นไม่นับเข้ามาที่ว่าเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติเนี่ยในแดนมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปตามลําดับตามลําดับจนพ้นทุกดาศีลก็เป็นที่ไว้วางใจของพระยจาจาวไม่ล่วงละเมิดศีลห้า มีสีหน้าอยู่ในใจคนจึงไว้วางใจกันได้สบายสบายเพราะนั้นจเจโน ว, วัดเราเนี่ยมันก็ไว้ใจกันอย่างนี้นพอมุ่งปฏิบัติธรรมยินงถ้าหาว่าจิตใจมันมีธรรมขึ้นมาสบายสบายเขาไม่ร่วงละเมินไหน แต่ว่าความอยากความต้องการในรายละเอียดบ้างเล็กๆ น, น้อยนอาจจะมีอยู่แต่ว่าจะไม่ละหมดสิคือมันยังอยู่ในขอบเขตของธรรมะพอที่จะเป็นไปได้จะไปไม่เอาเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ตถ้ามันอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมมันก็ไม่เป็นไรนอยู่ในกรอบของธรรมะอยู่ในขอบเขตของธรรมะ กองความถูกต้องเหมาะสมทำแล้วมันก็ไม่กระเทือนจิตใจมันไม่เป็นอุปสรรคต่อจิตใจทีนี้พระโสดาบันเนี่ยถ้าปฏิบัติต่อไปคือไม่เอาสบายสบายอย่างธนาราพินิกะหรือว่านาังวิสาขาแต่เป็นพระโสดาบันที่มุ่งที่จะออกจากทุกข์ ก็ทำความเพียรต่อไปก็คือต้องมาดูขันหานี่แหละแต่กําลังของสติมันมากขึ้นมาแล้วเพราะมันมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็พีนาขันหาได้ชัดขึ้นแต่ธรรมะานะอันเดียวกั น, นก็ต้องมาดูขันห้ามันจะเรินสติปรานสี่แต่ว่าลำความชัดเจนของมันมากขึ้น ก็มาดูขันห้าไม่เหไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไปตามนี้ตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเดียวกันหมดเดี๋ยต้องชัดแล้วชัดอีกด้วยไม่ใช่ครั้งสองครัง้งแล้วก็มาสรุปเอาไม่ใช่ชัดแล้วชัดอีกจนกว่ามันจะอริยมรรคเนี่ยมารวมตัวกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเพราะนั้นเวลาเวลามัปรหารทีเลยียมรรคต้องเป็นหนึ่งมรรคทั้งแปด รวมเป็นหนึ่งแต่แรงก็คนละตัวคนละตัวสติอันหนึง่งสมาธิอันหนึง่งปัญญาอันหนึง่งความเพียรอันหนึง่งแต่พอถึงถึงเวลาปานกีดเอกต้องรวมเป็นหนึ่งปานขีดเอกเลยแต่พระสกิทาคามีเนี่ยมันก็แค่โลภะโทสะโมหะเบาบาง ละสังโยได้สามอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเบาบางกว่าพระโสดาบันมากเี๋ยวจิตเริมละเอียดเข้าไปแล้วปล่อยวางอารมณ์ที่มันเป็นโลภโธสะโมหะได้มากขึ้นแล้วนี้ถ้าพระสกิทาคามีก็เรื่องเนื่องจากโลภโธสะโมหะเบาบางพวกทีเด็ดมันเบาบางแล้ว มันก็จะเริ่มมาพิจนารณาสิ่งที่จะเอาเข้ามาอ่ะเครื่องใช้ไม้สอยพวกอาหารการกินพวกอะไรต่ออะไรที่จะเอามาปนเปื้อ่างกายมันจะเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วจิตเนี่ยมันเวลาช่ว่าเราร่างกายมันหิวขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะกระตุ้นทำให้เราอยากอยากรับประทานอาหาร ให้ตัวความอยากมันก็เกิดขึ้นทีนี้ไอ้ไอ้ตัวจิตเนี่ยถ้าหาว่ามันมันมันมันไม่ชัดอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราอยากนี่นี่มันก็จะเริ่มมีขึ้นมาแล้วนะเริ่มเห็นเริ่มเห็นอาการของจิตที่มันผิดปกติอ่ะแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะไม่เคยได้ดูมันก็คือมันยังหยาบอยู่ต่อมานี้มันก็เริ่มมาเห็นเห็นจิตของตัวเองว่า มันอยากเนียทำไมบางทีมันก็อยากมากทำไมมันก็นในเมื่อร่างกายมันต้องการอะไออาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยมันเอามาเนียเพื่อที่จะอย่างเสื้อผ้าแพ้พัพนอะไรเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมันก็เอามาเพื่อห่อหุ้มร่างกายทำไมจิตมันต้องไปอยาก คงยอยากสวยอยากงามอยากให้มันได้ดีๆนี่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหมานมาสนใจมันก็จะมาดูว่าเอามาทำอะไรอาหารนี่เอามาทำอะไรเอาเพื่อร่างกายอ่ะเอาลดร่างกายเป็นของเราเหลอทําไมต้องไปอยากมากบํารุงบําเลอปอนเปิลมันมากนักหนาก็รเรานี่เอาแค่มีชีวิตอยู่นี่นะ่ะนี่อมันจะพิมาพวกสิ่งที่จะเอาเข้ามา พิจารณาข้างนอกแล้วก็มาที่ารณาข้างในด้วยเพราะจิตเรานี่มันมันไปมันไปอยากความอยากมันอยู่ในจิตน่ที่นี่แต่จริงๆแล้วเอาพื้นร่างกายนี่นะวันนี้นเอาโดยไม่ต้องอยากได้ไหมไม่ต้องดินนนะ้นรน่ะแต่เมื่อร่างกายมันหิวโหวยก็เอาอาหารให้มันเสียโดยที่จิตต้องเป็นปกตินี่มีโดมันจะล้างอะไรอาการของจิตเหล่านี้ อาการที่จิตมันไปติดไปคล้องเนี่ยออกเพราะนั้นไอไอพระสิเกติฮาคาร ม, มีอ่ะมันก็เลยต้องมาพิจารณารูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสด้วยพินาล่างกายพินาไอสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับกายแล้วมันก็กระทบกระเทือนก็ไปหาจิตเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเวลามันไม่พอใจขึ้นมามันโกรธ มันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันมันมันอยากให้ได้อย่างใจพอไม่ได้มันก็เลยโกรธเป็นปฏิฆาขึ้นมาแล้วมันก็มีตัวตนอยู่ในนั้นมันก็พินาศเข้ามาอีกพินาศกายบัางเผื่อล่างกายเพื่อจิตเนี่ยมันก็ต้องตามดูตามดูอารมณ์ที่มันเกิด ไป ใ, ในกายเราไปมาจิตเราบางทีเมื่อพิณาข้างนอกแต่คนนั้นเนี่ยที่มันมามีปัญหากับเราเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ตายเหมือนกันไอ้ร่างกายมันเกิดมาตายแล้วไอ้เราจะไปโกรธเขาทำไมบางทีมันก็ดับไปอย่าพิณาข้างนอกแล้วก็มาพิณาข้างใ น, นกายบ้างจิตบ้างบางทีในสมาธิก็ เอาในเมื่อมันไม่ใช่ของเราพอมันเห็นว่าเนี่มันทำเพื่อร่างกายนนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เรานี่ยเนี่ยก็เอาจิตให้มันเห็นร่างกายชัดๆมันถึงจงต้องจาะมาที่กายมากเวทนามาก็ดูเวทนานอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเนี่ยหรือวาพิณารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทํามาลงไปด้วยกันหมด แต่มีรายละเอียดมากขึ้นมองแวมองดูข้างนอกก็ต้องทวนเข้ามาดูข้างในนี่มันเริ่มที่จะมองข้างนอกเข้ามาหาข้างในข้างในก็ออกไปสู่ข้างนอกมันก็เริ่มควบคุมรายละเอียดมากขึ้นในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปีนาย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมา สุดท้ายก็เพราะว่าจิตเราหลงร่างกายมันก็เลยเอามาเพื่อปนเปื้อร่างกายได้ตัวจิตนี้มันก็อยากได้ความสุขพอมันคิดว่าถ้าร่างกายมันมันสุขสบายแล้วตัวจิตมันจะสบายด้วยแต่พอมันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันก็ปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาทางกายได้ปล่อยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกได้ ยิ่งเดละแต่จิตล้วนๆเลยทีนี้ร่างกายก็มายึดแล้วมีก็มีไปอ่ะก็ะต้องอาศัยร่างกายเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เนีย่ยมันเข้าใจแล้วมไม่เป็นกังวลอะไรก็มันอีกต่อไปเขาะมันเจ็บไข้ได้ป่วยอ้อนเรื่องร่างกายแล้วจะทำยังไงก็เราได้มาเพราะกรรมเก่าปัจจุบันนี้รักษาเยียาได้ก็รักษาไปหมอที่ไหนดีไปถ้าเรามีเงินมีทอง พอรักษาได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ทำใจได้พวกนี้มันไม่กลัวแล้วเพราะว่าจิตไอ้ไอ้ไอาการของร่างกายเนี่ยมันไม่มีผลต่อจิตคือจิตมันวางได้วางเฉยได้ปล่อยร่างกายได้แต่นี้จิตเนี่ยเวลามันมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยเนื่นจากวาสติปัญญามันมีนมกำลัง มากสมาธินี่มันเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมองไปทางไหนมันก็จะทํางานได้เลยจิตเนี่ยสอนตัวเองไปเลยเนี่ยนั่นจิตไม่ได้นะนเือนเกิดระดับนะตัวดบางทีก็มีละลายเรื่องขึ้นมามันหนักขึ้นมาพันี้น้ําหนักขึ้นมาในจิตก็มันก็หาทางชำระออกไคอยสังเกตอยู่มันก็จะมีพวกไอ้สิ่งที่ติดข้องอยู่ของว่านาคามี่ย คืท่านทันละละละกรรมมันละคาได้หมายความว่าพวกเวทนาทางกายมันก็ละได้จะทำอะไรเพื่อร่างกายเนี่ยมันก็เข้าใจ้วมันก็อพออยู่ได้เอาพอดีแต่เ่ามีเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมันออกจากทุกข์ออกจากสิ่งติดสิ่งข้องละปฏิฆาได้คือความโกรธเนี่ยละได้ แต่ใหม่ๆยังมีอาการอยู่นะมันจะค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีทางกายไม่ว่าเวทนาประเภทไหนก็เข้าใจอะแต่ว่าธรรมดาธรรมดาบางทีเจ็บปวดมันก็ขยับมันก็หนีมันก็อะไรนะไม่อยากเจ็บอยากปวดเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทุกข์ในใจหรอกแต่ถ้าเอาอยู่ในท่าทางเวลาต่อสู้ไม่กลัวเจ็บปวดก็สู่ได้ อาจจะเป็นต้องสู้หรืออยากจะสู้สู้ได้อาธิฐานจิตสู้สู้ได้บางทีไม่อาทิฐานสู้ไม่ได้บางทีมันเกินขีดเกินขีดที่ร่างกายจะรับไหวมันกระตุ้นเข้ามาหาจิตเนี่ยสู้ไม่ไหวแต่ถ้าได้อธิษฐานแล้วก็เด็ดขาดหาไม่กลัวพลังของใจเนี่ย ม, มันมีกำลังแต่ถ้านาทางจิตมันก็ยังมี เพราะนั้นไอ้ราคาที่ยังละไม่ได้รูปเป็นราคาอารูปเปาคารูปเป็นาคาหมายความว่าไปจิตของพระนาคามีเวลาเวลาท่านเข้าไปในสมาธิมันจะมีฌานไปมีสมาธิที่ลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันก็จะไปพักอยู่นี่ตัวจิตมันไปพักเองมันไม่ทํางานมันพักโดยที่มัน มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมันไปนจมอยู่แต่รู้ตัวอยู่แต่ว่ามันรู้เหมือนไม่รู้อ่ะมันยังติดอยู่มันยังมีอยู่คืออาศัยรูปแล้วจิตเป็นสมาธิเสร็จแล้วจิตมันก็ไปยึดความสุขที่เกิดจากสมาธิเหล่านั้นจึงเรียกวันรูป็นหลักครับหรือไม่งั้นก็มันเข้าอรูปฌานไม่อาศัยรูปแต่อาศัยความว่า อาคาษานังจายตนะอาศัยวิญญาณวิญญาณนังจายตนะอาศัยความไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะอาศัยความบว่าแหวมแวเจ้าว่านี่เราก็ไม่ใช่ไม่นี้ก็ไม่ใช่คือเจ้าว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนไม่ชัดไม่เจนอะไรอย่างเง้ยนะมันก็ไปอยู่ในนั้น จึงมันละเอียดสมาธิขั้นละเอียดมันก็เลยไปจิตอยู่ไปพักอยู่มันไม่สามารถที่จะออกมาเห็นแจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันอยู่ของมันนะไม่ใช่เรานะแต่มันไปพักอยู่เฉยๆมันก็เลยท่านก็เลยเรียกว่าเป็นรูปลาคาัพรูปลาคาัคือความกำหนักในลูกในลูกก็คือสมาธิที่อาศัยลูก แล้วไปพักอยู่อันหนึ่งก็อาลูกไม่อาศัยลูกติดอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านรู้ทันเมื่อไหร่ก็จะไม่ยอมให้เข้าไปคุมไว้ทํางานอยู่ตลอดแจ้งอยู่ตลอดไม่ว่าอะไรผ่านมาเห็นหมดเนี่ยนี่คือบาลินซ์อินซีมันแกลกล้าขึ้นมาแล้วทีนี้บางทีอะไรมากระทบอย่างเสียงตั้นขึ้นมาเนี่ยให้จิตที่มันยังไม่หลุดพนะ้นอ่ะมันจะ มันมันมันหมายว่ามันมันทึ้งมันกระทบจิตเอจิตมันสนใจอะไรเสียงอะไรมันก็สนใจในที่นหนมันก็จะจ้องดูเอหมายว่าเจ้องแบบแบบแบบติดข้องแต่ถ้าหาว่าตั้งขึ้นมาแสดงว่าเสียงมันทิ้งเลยอันนี้หมายว่ามันผ่านไปแล้วแต่มันยังไม่ผ่านเนี่ยมันเนี่ยมันหมายว่าจิตมันจ้องจ้องแบบติด แบบจิตมันเข้าไปเข้าไปจมเข้าไปสนใจมีเราเกิดขึ้นมีตัวตนอยู่เขาเรียกว่าอันนี้เรี ว, ว่าอุทัจษะคําว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านเรื่องคนนะั้นเรื่องคนนี้แบบปุถุชนนะมันฟุ้งซ่านแบบแบบมันยังบางทีก็ยังต้องอบรมจิตตัวเองเนะีย่ยยจิตมันไปสนใจอย่างนี้นสนใจทําไมมันก็ยังต้องอบรมกันอยู่ มันเลยเหมือนเหมือนกับว่าฟุ้งซ่านมันยังทางานอยู่ง่ายฟุ้งซ่านในธรรมะฟุ้งซ่านในธรรมอุทจจ์บางทีก็มันจิตมันไปทึ่งไปสนใจแล้วก็อีกจิตหนึ่งปัญญาก็ตามอบรมจิตนี้มันยังทํางานอยู่มันยังเพลินก็เรียกว่าเพลินมันจะเพลินสอนไปเรื่อยอันนั้นอันนี้มาก็เพลินสอนจิตตัวเองไปเพลินในธรรมะ เรเรียกอุทจจัความเพลินฟุง้งซ่นในธรรมมานะเนี yeah. ่ยตัวมานะนี่ในการเปรียบเทียบมันก็ต่างจากปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยมานะของปุถุชนเนี่ยไม่ปรุงแต่งไม่ก็เปรียบเทียบวาา่าเขาดีกว่าเราเธอเขาดีกว่าเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไปเรื่อยเลยแต่อันนีถ้าพระนาคามีมานะเนี่ยมันหมายว่า เออมันมีมันมีความจริงเกิดขึ้นเอามาเปรียบเทียบกันอย่างเขาสูงกว่าเราเราก็ไม่ค่อยสบายใจเราด้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยหรือเราสูงกว่าเขาอาการตัวตนก็ออกมาเขื่องเขืองขึ้นมาหน่อยเนี่นยมีเรี่ยตัวมันนะ เปรียบเทียบต้องมีการเปรียบเทียบแล้วมีตัวตนเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบนั้นเขาเรียกว่ามานะแต่ถ้าของพระยะเจ้าของขั้นพระนาคามีนี้มันเอาความจริงแต่ว่ามันยังมีตัวตนอยู่ในนั้นจากการเปรียบเทียบนั้นก็เป็นมานะถ้าพวกนี้ดับไปหมดแจ้งชัดเลยหลุดพ้นไปเลยมีเรียกว่าเอาวิชาดับหมดเพราะตัววิชานี่มัน ตัวหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราที่เกิดจากราคะก็ตามเป็นเราที่เกิดจากมานะอุทต จ, จะอะไรก็ตามที่มันออกไปสนใจทำนองนั้นออกไปสร้างตั ว, ส ร, ตวสร้างตนหลงยึดหลงติดหลงข้องอยู่เนี่ยถ้ามันทำลายได้หมดก็เรียกว่าเนี่ยอาวิชามันดับหมดตั ว, ห ม, ต ว, ห, มตวหมดตนเลย ก็บรรู้เป็นพรหาหันได์หมายว่าตัวตนมันขาดไปส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไปพูดรวบลัดไปเลยว่า อ, อจิตไม่มีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยคือมองจิตมําจะว่างแต่ก็มีอยู่นะมีเราอยู่แต่ว่ามันไม่ยึดเลยว่างถามว่าจิตอยู่ไงเขาจะตอบทันทีเลยว่างมไม่มี แล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีอะไรปรุงแต่งจิดได้เลยมันจะเฉยๆว่างๆแต่เวลากระทบอารมณ์ก็มันก็มีอยู่แต่ว่ามันเกิดดับไปชัดเจนอยู่ในจิตมันไม่หลงยึดว่าเป็นเราเลยีเพื่อ ว, วิชามันดับไปมันเลยไม่มีเราอยู่ในนั้นแต่ก็จิตเหมือนๆไม่มีอ่ะแต่ก็มีอยู่เพราะมันก็ยังทางานเนะี่แต่ว่ามันเป็นจิตที่มันมีปัญญา ที่ปัญญามันรู้ความจริงหมดแล้วมันเด่นขึ้นมาหมดแล้วไอ้ปัญญาตัวนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวจิตของเราในเวลาที่มันออกทำงานเนี่ยหมดงานแล้วก็จบไปปัญญาก็ไม่มีความหมายก็แค่ให้มันรู้รู้แล้วก็เกี่ยวข้องถูกต้องเนี่ยมันรู้เพื่อเกี่ยวข้องถูกต้องแล้วก็วางไป ไม่ยึดแม้กระทั่งปัญญาไม่ยึดมรรคผลไม่ยึดอะไรเลยนิพพานก็เป็นสัตวานิพพานเฉยๆมันก็เลยไม่มีความสําคัญมั่นหมายอะไรเป็นธรรมดาธรรมดานะตัวตนก็ไม่มีหรือจะมีทําไมมันมันไม่ัมนมันไม่มีของมันเองก็ เ, เป็นธรรมดา แต่คนอื่นน่ะเห็นว่ามันเป็นว่ามันไม่ธรรมดาเฉยๆคือคนอื่นมองภาพจินตนาการว่าพ่อลานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแต่พ่อลานท่านก็เฉยๆท่านกะรู้ว่าเออธรรมชาติอยู่นี้เองก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยคือเป็นธรรมชาติแต่คนอื่นเห็นว่ามันไม่ธรรมดาหรอกท่านต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนั้นอันนี้เกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นคนทั่วไป กถ้าทำงาด้วยกันไม่สงสัยกันว่าเออมันก็ต่างคนต่างก็อยู่กับธรรมชาติของตัวเองธรรมะอยู่กับธรรมะหรืออยู่กับธรรมชาติอะไรควรทําก็ทําไปเขาเป็นไปจะเป็นไปตามอัธยาศัยบางคนก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครมีบางองค์เนี่ยบอกว่าถ้าออกมาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นรู้เป็นยังไง มันยูบว่าอึดาดขึ้นมาต้องหนีหลบเข้าป่าแล้วสบายเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะดีายาศัยหรืออย่างในประวัติบางองค์อดๆอยาๆคิ้วโหยเลยเพราะว่าเคยสร้างกรรมไม่ดีมามีพระองค์หนึ่งที่ภาษาลิบุตัดไปเยี่ยมใกล้จะตายละองค์นี้ยไม่เคยฉันอาหารอิ่มเลยเอี่ยเลาบิทฑบาตอย่างเงี้ยถ้าท่านเดินนาหน้าเนี่ย เขาจะลอใส่เฉพาะไอ้ไอ้ต่อจากท่านไปตรงกลางๆงกับท้ายแถวเขบอกเออลองใส่ตรงกลางบ้างท้ายแถวบา้า อ, อ่ะแล้วถ้ามาอยู่ตรงกลางบก่กเ อ, อ้าเมื่อวานนี้ก็ใส่แล้วตรงกลางก็ใส่ข้างหน้าออแล้วก็ท้ายแถวออถ้าเร ล, ลองลองไปท้ายแถวทีหนี่เออก็เอาใส่ใส่ไปเนี่ยหัวแถวไปเดินถึงกลางหมดก็หมดพอดีก็ไม่ถึงท่านทุกที่ นี่มันจะเป็นเหตุเนี่ยนี่เป็นเี่อํานาจของกรรมขนาดเป็นพระหลานแล้วนะที่ว่าไอ้กรรมของท่านที่ท่านเนี่ยตอนท่านเป็นเป็นเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดอยู่ในชนบทเนื่นมีวัดที่เป็นเจ้าอาวาดอยู่ในในเมืองเนี่ยอะไรไม่รู้ล่ะแต่เป็นเจ้าวาดแล้วก็มีพระอาคารตุกัเป็นพระหานเออมาขอพักด้วย นี้ญาติโยมเห็นพระมาก็ศรัทธาก็มาดูแลที่พักที่อาศัยอะเขาก็มาสักมาถามก็เห็นท่านน่าเลื่อมใสเห็นคําพูดคําจาอะไรมันก็ให้คติทีนี้ยาววาดก็ดูอยู่่ะก็เกิดความอิจฉาถ้าพระองค์นี้อยู่เนี้ยอิกราภของเราแย่ญาติโยมของเราเนี่ยก็ต้องไปศรัทธาทันเอามันเกิดได้เนี้ยดูซิเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยตัวมานะเนี่ย ตัวความอยากของคนเราเป็นพระก็มีแต่เพราะถ้าพระไปดูชนมันก็ยังมีหมดแหละโยงนั้นถ้าเป็นพ่อหลานเลยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันไปตามความเหมาะสมเท่านั้นเองคือคือถ้ า, าว่าจิตมันมันพ้นแล้วมันเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นธรรมชาติสบายๆเกี่ยวข้องไปตามสมควรหาสมควรแล้วก็ เห็นว่ามันมันหมดเหตุผลที่จะต้องเกี่ยวข้องกันมันไม่ได้ประโยชน์แล้วหรือว่ามันสมควรแล้วก็จะถอยต่างจากคนที่ยังไม่หลุดพนนะ้นคนที่ไม่หลุดพนมันจะมีความมันความเมาอยู่ในนั้นบางทีมามแทรกด้วยยี่นทํทำไมเราเราถึงพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะมันสามารถส่งสัญญาณมาได้เคยอยากมีจุดอ่อนอะไรมันจะเอาจุดอ่อนอันนันมากั้นมาขวาง ถ้ามันส่งสัญญาณเข้ามาได้เราคอยตามมันทนีละระหยากมากละยากมากๆเดี๋ยวก็ทำอย่างเก่าเดี๋ยวก็ทาอย่างเก่ามันเลยไปไหนไม่ได้แล้นกันด้วยไม่ให้ทำมั่นเจริญก็หน้าที่ของมันมันก็รู้อยู่แนละ้วมันก็ขัดขวางการปฏิบททัติธรรมมันก็ทำให้ดูมีรสชาติมีรสอร่อยเมามันไปทำไมเรจึงเตือนก็คือนี่แหละ บางคนก็เชื่อถือแล้วก็ทําตามก็ข้ามไปได้ง่ายแต่บางคนมันดือ้อดื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองดื้อด้วยคือมันหลงไปจนจนไม่รู้จากวันดื้อไม่รู้จักวันล้นไม่รู้จากวันวด้านกิเลสมันด้านนี่ขนาดนั้นเลยนะพฤติกรรมก็ออกมาบ่อยๆจนขี้เกียจพูดแต่ก็อดไม่ได้อะอเรา ไม่ช่วยแล้วจะทำยังไงเนี่ยพูดแล้วเออถ้าเกิดเขาไม่สบายใจขึ้นมาละอ่าแล้วหน้าที่ของเราเคืออะไรเนี่ยมันก็สู้กันอ็าสู้กันอา้าวจาเป็นต้องเอาประโยชน์เอาความถูกต้องมันก็ต้องมีการพูดกันทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งละทีนี้เนี่ยถ้าพูดบ่อยๆแล้วก็เออไม่เอาแล้วคนนี้ก็วางแล้วให้ธรรมชาติไปเรื่อยๆไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไป ปากมันก็อยากพ้นทุกใจมันก็อยากพ้นทุกแต่การกระทํามันมันไม่เด็ดเดี่ยวมันไม่เด็ดขาดละไม่ได้ทีนี้จะตกภายใต้อานาจของมันนั่งมันก็ส่งสัญญาณมาตั้นไว้ง่วงซึมหลับมันไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่มีกำลังมันโดนครอบงำแล้วมันมีสัญญาณคอยครอบงำอยู่มันรู้จังหวะด้วย บางทีมันก็ทาให้สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยพวกนี้มันสัญญาณมันเยอะแยะมันสามารถทําอะไรต่ออะไรได้มันทําได้ก็เพราะว่าเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันเท่านั้นเองอิทธิพลของมันหรือสัญญาณมันเข้ามาได้ก็เพราะเราเนี่ยคอยตามกิเลสของเราเองมันรู้ช่องมันรู้จังหวะมันก็จะทาให้เราแพ้กิเลสเราทําให้หลงไปตามมันเนี่ยหลงออกจากธรรมไม่เอาธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ยกธรรมขึ้นมาแล้วดำเนินตรงต่อธรรมนี่นี่คือสิ่งที่มันจะเล่นงานได้แต่ถ้าว่าใครมุ่งมั่นอยู่กับธรรมพยายามที้เอาธรรมให้มันเป็นธรรมไว้ปัญหามไม่น่อยมีแก้ไขก็แก้ไขได้ผิดพลาดแล้วแก้ไขมัน ม, มีปัญหาอะไรนะมีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็รู้หลักอยู่แล้ว ไม่ไปเพ่งโทษกันไม่ไปต้องไปไม่ต้องไปคิดปรุ ง, งคนนั้นต้องคิดอย่างนั้นคนอย่างนี้มันเสียเวลาเนะี่ยคือจิตของเรามันออกไปผ่านมันไปได้นชนะใจเราได้ใช้ได้แล้วไ ม, ม, ม, ม่มีทุกข์ไมีปัญหาในจิตใจใช้ได้เลยเพราะทุกคนก็มุ่งมาตรงนี้แหละเพราะคําว่าตัวตนไม่มีถามว่าชอบใจไม่ชอบใจนีไม่มีอยู่ แต่มันเหมือนกับมันไม่เข้าไปสู่จิตใจพนชอบมันก็ดูเฉยๆเออไม่รู้ว่าชอบชอบเพราะอะไรมีเหตุผลมันถูกต้องมันดีมันมีประโยชน์ชื่นชมมีหมดแต่ไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์เพราะนั้นที่ท่านรู้ว่ามันไม่มาเกิดดีเนะี่ยขีนาชาติเนี้ยก็เพราะว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรพาไปเกิด จิตก็ว่างๆอยู่เฉยรู้ว่าพอมาถึงเวลามันก็จะดับไปไม่มีอะไรผักดันเป็นแรงผักดันให้ไปเกิดได้ท่านเพ่งรู้ว่าเอ อ, มเ อ, อ ไ, เไม่มีอะไรปุงแต่งละไม่มีอะไรชาติก็คือการบนเวียนคิดนิดปุงแต่งอยู่ในจิตเกิดในจิตมันไม่มีถ้ามันเป็นสังขาโรโผล่มามันก็อยู่ข้างนอกจิตเลยนะ จิตก็เห็นอยู่เป็นยังถานแรบแรบมาว่าแล้วก็ววววาหายไปเฉยๆดับไปเฉยๆแล้วการงานมันก็นไม่ไมีผมแค่ไปแต่ก่อนโอ้โหพยายามสู้เลด้วบรวมระวังทำเต่าไม้เพื่อความพ้นทุกข์แต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ต้องไปทำเฉยเฉย แต่ทำไมต้องเข้าสมาธิอ่ะเวลาเข้าสมาธิมันสบายกว่ากันมันอยู่ในสมาธิแล้วมันเหมือนกับมันไม่ต้องมารับรู้เรื่องร่างกายเีธนาทางกายมันเข้าไปหาจิตแล้วมันก็วางกายละพอมันเข้าวางกายดันสบายไอ้ร่างกายเนี่โอ้โหออกมาแล้วก็หนักเนื้อหนักตัวปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยมันมันถึง ถ้าเข้าไปหาจิตได้มันสบายกว่า น, นั้นแม้แต่พูดอ่ะพูดบางทีก็ถ้าหลับตาพูดเออมันพูดแล้วก็จิตมันก็นึกไปพูดไปอย่างเงี้ยมันก็สบายถ้าลืมตาอย่างเี้มันมารับรู้ไอ้เวทนาทางกายมันไม่สะดวกแต่บางครั้งถ้าจําเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาพูดได้แต่มันจะพูดดีแบบนี้มันไม่ได้พูดเป็นแบบแบบธรรมะที่ละเอียดอะไร เกันถึงว่าวุติกรรมธรรมมจริยธรรมจรรย์จะจบแล้วก็คือมันในีการปฏิบัติเนี่ยมันจบแล้วกตังกรนีนยางงานก็จบแล้วกิจอื่นที่ต้องทำอย่างนี้ทำเพื่อออกจากทุกข์ทำเพื่อล่ากิเลสไม่ต้องแล้วคือมีไม่ต้องทำอีกแล้ว มัเขามันรู้ในจิตเพราะนความสงสัยมันจะไม่มีนิดหนึงก็จะไม่มีเลยถาว่ า, วาพ่อพหลานคงเป็นอย่างนี้ั้มเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนิดหนึ่งก็ไม่ได้มันไม่มีคำว่าให้ไอ้ความสงสัยลังเลแบบนั้นผพรามันเห็นชัดอยู่ในจิตให้การเห็นชัดอยู่ในจิตนี่คือวิาญาณผมว่านันญาณของพ่อพหลานทุกคนเนี่ยจะต้อง เห็นเห็นแบบเดียวกันวันนี้พอแค่นี้นะคิดบุญอายอเดียนะ